ครั้นทําสิ่งที่ไม่ควรทําด้วยตนเองก็รีบเว้นทันทีแต่เมื่อใดรู้ว่าผิดรู้ว่าพลาดก็เหมือนกับคนเหยียดมือไปจับไฟเนี่ยทําไงรีบเว้นจากสิ่งนั้นทันทีรู้ว่าผิดแล้วรู้ว่าพลาดแล้วก็หดกลับมาทันทีไม่ใช่โอ้โหมันไหนๆก็มันไหมแล้วก็ไหมแค่หนังเองให้มันทะลุเนื้อให้มันสัดไปทะเอนกระดูกให้หมดเลยกันนะเขาก็ไม่เลวอย่างนั้นหรอกเขาไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะพันธุ์ก็รู้ว่ามันเลวร้ายเนี่ยนะแค่ เขาขนนิดเดียวว่าเอาคืนแล้วนะไม่ถึงกับเสียผิวเสียอะไรไปนะนี่ก็เหมือนกันถ้ารู้อะไรมันเป็นทุกข์เป็นโทษ เ, เป็นบาปเป็นอกุศลก็ห้ามออกมาสรุปที่เรียกว่าอัธยาศัยดีเนี่ยนะอัธยาศัยดีก็คืออัธยาศัยในศีลโดยปกติเป็นคนที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอากุศลมีใจน้อมไปเพื่อการไม่ฆ่าสัตว์มีใจน้อมไปเพื่อให้อภัยต่อชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายให้ความความคุ้มครองในบุตรและภริยาของสัตว์อื่นทั้งหลายคําพูดทุกคําไว้ใจได้คําพูดเป็นไปเพื่อสมัครสมานสามัคคีผูดด้วยถ้อยคําที่ไพเราะน่ารักยิ้มเย้มแจ่ ม, มใสพูดทุกคํามีประโยชน์มีใจเป็นอานาพิชากําจัดความความโลภมีใจกําจัดความโกรธมีกรรมสกตาสัมมาธิฏฐิ มีสัจจานุโลมมิกยานเป็นคนกะตันโยกะตะเวทีอ่อนน้อมอาชีพดีรักกุศลธรรมเนี่ยนะห้ามจากความชั่วห้ามตัวเองและห้ามคนอื่นจากความชั่วประกอบตัวเองและคนอื่นให้อยู่ในคุณงามความดีรู้อะไรเป็นความเลวร้ายก็รีบสละสิ่งนั้นทันทีเหมือนคนแย่มือเข้าไปในไฟฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอัธยาสัยใน ศีลเนี่ยนะวกวคนดีจริงๆนะอัธยาศัยดีจริงๆมีอัธยาศัยดีอย่างนี้เนี่ยนะจึงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จถ้าไม่มีอัธยาศัยขนาดนี้สําเร็จไหมไม่คก็ว่าเราคําเดียวที่เหลือเราว่าเขาหมดเลยเขาคิดจะฆ่าเราแค่นั้นอนะ่ะที่เหลือเราพลานตระกูลเขาหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นถ้าอย่างนั้นก็หมดเสร็จ ท, ที่จะประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีที่จะทําให้เป็น พระพุทธเจ้าพันเขาหลอกเราเรื่องนิดเดียวนะเราจะหลอกเขาในเรื่องใหญ่ๆเขาด่าเราคาเดียวเราด่าเขากระเจิดกระเจิงไปหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นพันก็เรียกว่าไม่เป็นคนผูกเวร น, นะเมื่อไม่ผูกเวรนั้นะมีอัธยาศัยรักคุณธรรมรักกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมก็เลยประกอบกายวาจาจิตอยู่ในกุศลธรรมน ะ, นะก็เลยเรียกว่าเป็นคนมีศีลดี นั้นอัธยาสัยในทานก็ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอัธยาสัยในศีลก็เป็นเหตุให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งก็คืออัธยาศัยในเนคขมมะเป็นต้นว่าอันนอัธยาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องเกื้อกูลทําให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอัธยาสัยในเนคขมมะของพระมหาบุรุษเช่นว่าพระมหาบุรุษนั้นโดยพื้นฐานและเป็นคนมีกิเลสเบาบาง คำว่ากิเลสเบาบางเนี่ยนะถามว่าท่านโลภไหมโลภแต่ความโลภนั้นไม่มีกําลังท่านโกโรธไหมโกโรธแต่ว่าความโกโรธไม่มีกําลังคือแต่ละอย่างนี่มันบางนะนะมันไม่หนาแล้วก็มันไม่หนานิวรณ์ก็เบาบางการมาชันท่าก็เบาบางพยาบาทก็เบาบางถีนัมิทธะก็เบาบางอุทะักกุกุจาก็เบาบางวิจิกิจชาก็เบาบางเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวก ค, ความสังกัดเนี่ยนะไม่ได้ คือพื้นฐานและเห็นโทษของความคลุกคลีเนีย่ยนะว่าคลุกคลีเนี่ยมันนํามาซึ่งความเสียหายอย่างไรคนเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันแล้วนะความชั่วไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้มากองทับถมไม่แถวๆนั้นหมดแถวๆที่ไหนที่ประชุมกันเนีย่ยนะมันเมื่อมีการคลุกคลีกันก็เนะสมาคมไม่มากนักในโลกนี้หรอกที่เป็นประชุมกันเพื่อเว้นจากการฆ่าประชุมกันเพื่อเว้นจากการลัก คือประชุมเพื่อรักษากุศลกรรมบท10รมีไม่กี่สมาคมโดยมากเมื่อมีการสมาคมงานสมาคมอะไรสมาคมทาตานาติบาทสมาคมอาทินนาทานแต่โอ้แต่เขาไม่ใช่ศัพท์แบบนี้หรอกเขาใช้คําเพราะมากแต่เขาใช้สัพท์อย่างอื่นนะสมาคมกาเมสุมิจฉาจารสมาคมมูสาวาสมาคมพุศวาจาปิสุนาวาจาสมาคมสัมผัสปลาปะสมาคมอภิชาสมาคมพยาบาท สมาคมมิจฉาทิ่ฐิรวมๆแล้วมันมีเท่านี้แหละแต่เขาใช้คำดีมากไม่ใช่สับแบบนี้ถ้าใช้สับแบบนี้เสียยี่ห้อหมดใช่ไหมพยายามบอกโอ้ยเขาแบทำเลวแต่ว่ายี่ห้อมันดีี่ต่อไปวิตกอันลามกไม่ไหลเข้าไปยังจิตของมหาบุรุษนะั้นถามว่าอากุศลวิตตกเช่นกามวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดบ้างไหมบอกเกิดแต่ถามว่าท่านทาไง ไม่ยอมให้ไหลเข้าไปบอกว่าบางอย่างคิดครั้งเดียวพอแต่ามาแวบเดียวก็รู้แล้วว่าความคิดอันนี้ถ้าต่อยอดและอะไรจะเกิดขึ้นมาคือรู้แล้วก็คือไม่ยอมให้ไหลเข้าไปเนี่ยนะเพราะถ้าไหลเข้าไปเนี่เป็นยังไงก็เหมือนกับยาพิษถ้าหากว่ามันไหลซึมเข้าไปในเส้นเลือดอะไรจะเกิดขึ้นก็คือพอรู้ว่าพิษปั๊บก็รีบรีบกําจัดรีดออกทันทีเพราะว่าถ้ามันไหลเข้าไปสร้างแต่ความ เสียหายท่านก็เลยเรียกว่าอากุุลวิตกอัลลามกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นน้อมไปเพื่อกำจัดอกุอุนธรรมอัลลามกเหล่านั้นอันหนึ่งจิตของมหาบุรุษนั้นสงัดตั้งมั่นโดยไม่ยากท่านดำรงอยู่ในความสงบไม่ยากเนี่ยนะ ท, ที่จะทำให้แป๊บเดียวท่านก็ทำให้สงบได้แป๊บเดียวได้และสามารถที่จะเจริญกรรมาฐานแต่ละอย่างโดยไม่ยากไม่เย็นอะไรเลย พันโดยพื้นฐานเป็นผู้ที่มีจิตเป็นเมตตาน้อมไปในประโยชน์คำว่ามีเมตตาแม้แต่ในศัตรูเน่นะมีเมตตาแม้แต่คนที่เป็นศัตรูมีความคิดว่าจะช่วยศัตรูให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างไรนะคำว่าในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะขณะที่กำลังแทบจะเรียกว่าฆ่ากันขณะนั้นยังมีความคิดว่าจะช่วยให้เขามีความสุขความเจริญได้อย่างไรจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร วางแผนให้สพัพพะสัตทั้งหลายได้รับความสุขเนี่ยนะด่ายังไงให้เขาได้รับประโยชน์ไงวะขนาดตำหนิเขานะแต่ตำหนิยังไงให้เขาได้รับประโยชน์คือคือเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นดูภายนอกเหมือนกับทําลายแต่จริงๆแล้วคนที่ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้รับประโยชน์อยู่เสมอเนี่ยนะนะก็คือเป็นคนที่มีใจน้อมไปเพื่อประโยชน์ก็อย่าลืมว่าคนที่สร้างบารมีอย่างนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นคนจัดฉากให้แก่ตัวเองว่าเป็นคนดูดีตลอดจะไม่ใช่คนกลุ่มนั้นจะไม่ค่อยจัดฉากเพื่อเรียกคะแนนนิยมไม่ใช่ลักษณะนั้นคือเป็นลักษณะว่าจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรคนอื่นเข้าใจได้รับประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรตรงนั้นต่างหากเนี่ยนะขณะเดียวกันท่านบอกว่ามีเมตาน้อมนาประโยชน์ไปให้แม้แกศัตรูได้อย่างเร็วมีความคิดวางแผนว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไร ขนาดศัตรูยังน้อมประโยชน์ไปให้ศัตรูได้จะกล่าวไปย่ายถึงคนนอกนี้ทำไมจะไม่สแสวงหาประโยชน์แก่คนอื่นขนาดศัตรูยังคิดว่าทำยังไงศัตรูของเราจะเจริญไม่ต้องพูดถึงคนแบบทั่วๆไปไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ใกล้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะมีแต่น้อมนำประโยชน์อย่างเดียวเป็นผู้ที่มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทาคาที่พูดแมนานได้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าไม่เผลอ เนคนที่ไม่เผลอเร้อเลยนะและลึกได้เสมอว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นคนเบลอนะอ้างจําไม่ได้แล้วลึกไม่ได้ไม่ต้องมาพูดถึงความหลังเป็นต้นเนี่ยมันจะทาอะไรกันมันจะระลึกอะไรได้ไหมพักคนเหล่านี่ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานได้แล้วแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลเนี่ยนะสิ่งที่ทํามาคือเป็นคนที่สามารถทบทวนความหลังได้ทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อทบทวนได้แล้วจึงแยกว่าอะไรควรทิ้งอะไรควรเจริญ ถ้าแยกไม่ออกมันประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยเดี๋ยวกดน้องไปเพื่อแก้ปัญหาแบบเดิมๆ เ, เพราะตัวเองเคยชินกับเป็นเช่นนั้นมันก็สามารถระลึกได้เสมอว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดเมื่อระลึกได้อย่างนั้นจึงมีข้อเปรียบเทียบว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรละอะไรควรทิ้งอะไรควรจเจริญเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญามีโอชะเกิดแต่ทำแปลว่ามีความสุข โอชาเนี่ยหมือนกับว่าทานอะไรแบบมีโอชารสน่ยนะทานอะไรแบบมีรสชาติอะไรเนี่ย น, นี่ก็เหมือนกันท่านมีความสุขกับการมีปัญญาเนี่ยนะมีความสุขที่มีปัญญาเหมือนถ้าปัญญาไม่เกิดนี่คือความเดือดร้อนของท่านท่านโอชาของชีวิตคือปัญญาทํายังไงปัญญา ง, งอกเงยอย่าลืมว่าสมมุติตอนตั้งความปรารถนาแรกๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์แสงสว่างอยู่ในใจเหมือนกระแสงหิ่งห้อยแต่ว่าไอความสว่างของท่านท่านต้องการสูงสุดคือเท่ากับ แสงอาทิตย์อย่างเงี้ยสมมตินะแล้วถามว่าแสงหิ่งห้อยพัฒนาสภาพแสงเนี่ยนะเพิ่มพูนความสว่างเนี่ยตั้งอันเล็กๆ เ, เท่ากับแสงหิ่งห้อยอะทำยังไงให้มันสว่างเท่าดวงอาทิตย์มันมีความสุขกับการเพิ่มความสว่างฉันใดตอนแรกมีปัญญาเล็กมีปัญญาน้อยมีปัญญาไม่มากมีความสุขกับการเพิ่มพูนปัญญามีความสุขที่จะทําให้ปัญญากระจายและกว้างขวา ง, วา ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเรียกว่ามีโอชะ ก็เรียว่าปัญญานี้มีโอชะที่เกิดจากกุศลธรรมผัสกุศลธรรมทุกอย่างเพื่อปัญญาทํำยังไงที่จะให้เป็นกุศลแล้วกุศลเพื่อปัญญาเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็เพื่อให้มีปัญญามีปัญญาไปทําไมจะได้หลอกลวงคนอื่นบอกมีปัญญาเพื่อจะได้เจริญกุศลต่อไปเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยทำกุศลอันใดอันหนึ่งเพื่อให้มีปัญญา เมื่อมีปัญญาแล้วจะรู้ว่าเจริญกุศลเนี่ยเจริญได้อย่างไงเพราะคนมีปัญญานี่เจริญกุศลไม่ยากมองอะไรก็สามารถให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้มองทุกอย่างเป็นกุศลได้หมดคิดทุกอย่างเป็นกุศลได้หมดสามารถเจริญกุศลได้อย่างมากมายทำบุญเพื่อให้มีปัญญาเจริญปัญญาเพื่อไปทำบุญทำบุญเพื่อให้มีปัญญามีปัญญาเพื่อที่จะทำบุญอย่าลืมคุณธรรมสองอย่างคือบุญญาณสัมภาระท่านสั่งสมบุญกับสะสมปัญญาเนี่ยนะ พันธุ์ทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดในกิจที่ควรทํานั้นๆอะไรที่เรียกว่าเป็นกิจอะไรเป็นสิ่งที่ควรกระทําอะไรเป็นคุณงามความดีสามารถทำได้ทันทีเลยนีนะสามารถที่จะทํากิจนั้นๆบางคนเนี่ยนะยังนึกถึงวิธีทํากุศลไม่รู้คิดได้ยังไงก็ไม่รู้เออมีความสามารถมีความฉลาดในการคิดหาวิธีเจริญกุศลได้อย่างวิจิตพิสดาร น, น่ยนะที่เรียกว่าคือพอทําเสร็จแล้วคนต้องอนุโมทนาวะแต่ว่า จากเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเป็นไปได้อะเขาสามารถน้อมไปเจริญกุศลได้นะเนี่ยนะเรียกว่าฉลาดในกิจนั้นๆจริงๆเป็นผู้ปรารบความเพียรในการทำเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นคนที่ทำทุกอย่างปรารบความเพียร น, นะหมายความว่าไม่ไม่ท้อแท้นะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเรียกว่าไม่ใช่แบบอ๋อทาไปหน่อยเนะอเบื่อแล้วเนี่ยนะเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยเลย ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะมีแต่ความกล้าถ้าเป็นรถก็ไม่ใช่ว่าตอนแรกเหยียบไปร้อยหนึ่งรถเก้าสิบแดสิบห้าสิจนรถเสียจอดข้างทางเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มีไหมว่ามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาความสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเนี่ยนะสำคัญว่าไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เหยียบสเปรกขาบเลยก็เหยียบซะเสียเลยก็ไม่ใช่พอไปถึงระดับที่พอดีพอเหมาะพอสมก็รักษาความสม่ําเสมอรักษาความสม่ําเสมอแห่ง กุศลธรรมรักษาความสม่ำเสมอแห่งคุณงามความดีแต่ก็ทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกําลังคือความอดกลั้นได้ททั้งหมดเนี่ยนะแปลง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่ท่านทนไม่ได้ถ้าท่านเห็นประโยชน์แล้วท่านจะทนได้ทุกอย่างว่างั้นน่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกําลังคือความอดทนทนเป็นเยี่ยมเรียกว่าไม่รู้จะทนไปทําไมแต่ก็คิดดูนะในโลกเนี่ยคนที่ไม่สร้างบารมีบางเรื่องนะเขามาไม่รู้ปรแปลกใจว่าทนไปทําไมก็ไม่ทราบ อย่างบางคนเนี่ยทนทนทนจริงๆนะไม่รู้ทนได้ทําไมก็ไม่รู้ไม่อยากพูดแตนะ่แต่รู้ว่าแต่ว่าไม่รู้ทนได้ทําไมก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่นี้หมายคาอว่าคําว่าอดทนในที่นี้คือสามารถเจริญกุศลโดยที่ไม่ได้มองสิ่งใดๆเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไม่คิดว่าสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญกุศลไอ้ความที่ไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเนี่ยนะๆๆคือไม่คิดว่าทุกอย่างคืออุปสรรคจึงสามารถทนได้เสมอ ไม่ใช่บางคนเนี่ยนั่งฟังธรรมเนี่ยนะเขาบอกทําไมเขาไม่ฟังธรรมบอกฟังไม่ได้ครับทําไมยุงมันกัดเขาว่างั้นฟังตั้งสองชั่วโมงกัดตัวเดียวแค่นั้นะทนไม่ได้นะอธิบายได้ว่าที่ไม่ฟังธรรมเขาบอกงั้นคนที่ไม่มีความอดทนนี่ไม่อดทนจริงๆจริงๆก็ไม่มีศรัทธาอยู่แล้วนะแต่พูดให้ตรงตัวก็บอกเขาไม่มีศรัทธามันนะแต่ถ้าคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะอะไรที่เขาทนไม่ได้ไม่มี ฟันเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยในกุศลธรรมท่านจึงทนได้สมาทนที่จะเจริญคุณงามความดีในกุศลธรรมแต่อกุศลเนี่ยท่านทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะเป็นอกุศลเน่ยนะะไปเป็นผู้มีความตั้งใจไม่หวั่นไหวความตั้งใจของท่านเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหมายว่าใจที่ตั้งตั้งในที่นี้คือตั้งใจในการเจริญกุศลอย่างที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงมีความสมาทานอย่าง มั่นคงแล้วก็วางเฉยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอเคคุเบกขาที่จริงก็ น, นะย้อนกลับมานะคำว่าพูดอัธยาศัยในบารมีสิแบบย่อๆใช่ไหมอย่างข้อแรกอัธยาศัยในทานอัธยาศัยในศีลอธิบายเยอะหน่อยอธิบายอัธยาศัยในเนคขมมะก็พอสมควรอัธยาศัยในเมตตาเมตต่ในศัตรูได้อย่างรวดเร็วมีัธยาศัยในปัญญาเป็นผู้ปราบรความเพียรมีความอดทนมีธิฐาน มีสัจจะแล้วก็มีอุเบกขาพันโดยรวมๆแล้วมีพื้นฐานในบารมีสิมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะเป็นทานนกุศลสีและกุศลเนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นเองอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแห่งเหตุปัจจัยแห่งอภินิหารเหตุปัจจัยที่จะทาให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรนี่คืออะไรท่านอาศัยกัลยาณมิตรเป็นเหตุแห่งมหาพินิหารกัลยาณมิตรคือคือใครคือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสุตะจารคาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าดูให้ดีๆก็คืออินทรีย์5ใช่ไหมอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิกับปัญญาก็เพิ่มศีลสุตะจารค้าเข้ามาก็คืออริยสัพท์ทั้งหลายนั่นแหละ แปลว่ากาลยานามิตรที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์และอริยทรัพย์เป็นกาลยานามิตรที่มีอริยทรัพย์มากมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่ดีเยี่ยมมาดูว่าคุณสมบัติของกาลยานามิตรถ้าเราจะคบเขาเป็นกาลยานามิตรอาศัยกาลยานามิตรทําให้เกิดการตั้งความปรารถนาที่ดีๆเข้าเป็นอย่างไรเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของ พระตถาคตและก็มีกรรมมศกตาศรัทธาเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาสมบัติเป็นคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในกรรมและผลของกรรมว่าอะไรทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมอุปชาเวชนียกรรมอภราปะเวชนิยกรรมชนะกรรมอุปธรรมภะกรรมอุปปีละกรรมและอุปคาตกรรมนี่นะขรุกรรมอาสนกรรมอาจินกรรมกระตั้ววาปนกรรมความเข้าใจในเรื่องกรรมเนี่ยดีเยี่ยม แล้วก็ไม่เผลอไม่ไม่เข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนในเรื่องกรรมแล้วก็รอบรู้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโร่งตรัสรูท้ทำที่ควรรู้ยิ่งควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งแล้วก็ควรละควรกำหนดรู้เป็นต้นเนี่ยนะเมื่อมีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็ไม่สละการสแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณคือเนื่องจากว่าอาศัยกัลยาณมิตรที่มีศรัทธา กาลยานมิตรที่มีศรัทธาเนี่ยนะเขาก็จะไม่สละการแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์คือเมื่อตัวเองมีกรรมมศกตาศรัทธาเมื่อคบคนมีศรัทธาตัวเองก็มีศรัทธาเมื่อคบคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตัวเองก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อมีกรรมมศกตาศรัทธาเมื่อมีตถาคตโพธิศรัทธาดีอย่างนี้แล้วทํำไนสัตว์อื่นจะได้รับศรัทธาอย่างนั้นบ้างทําอย่างไรสัตว์อื่นจะได้มี ศรัทธาเช่นนั้นบ้างขณะเดียวกันศรัทธาที่ตนเจริญก็เพื่ออะไรเจริญศรัทธาเพื่ออะไรเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาต่อไปนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้คอยตักเตือนเป็นคนติเตียนความชั่ว คอยแนะนำว่ากล่าวเป็นคนที่มีความอดทนต่อถ้อยคำอันนี้เป็นศีลสมบัติคุณสมบัติของผู้มีศีลคนที่มีศีลจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าชอบใจเป็นที่น่าเครารพยกย่องของศาสร์ทั้งหลายเป็นคนที่คอยแนะนำคอยตักเตือนอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความเลวร้ายก็ตักเตือนว้อย่าไปทำอดทนต่อถ้อยคาแนะนาสั่งสอนอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติของคนมีศีล มันก็แม้ถ้าเราได้คบคนที่มีศีลอย่างเงี้ยนะเราเห็นเขาเราก็รักเขาชอบใจแล้วก็เคารพทั้งยกย่องเขาก็คอยแนะนำคอยตักเตือนคอยว่าคอยกล่าวถ้าได้กัลยาณมิตรอย่างนี้ก็กุศลเจริญนี่ไม่ใช่ยากใช่ไหมในเมคิยาสูตรเนี่ยนะเมคิยสูตรเนี่ยนะว่าทำเป็นเครื่องบ่มอินทรีย์มีห้าประการนะหนึ่งกัลยาณมิตรสองศีลสามวิริยะแล้วก็มีคาถาวัตถุแล้วก็มี ปัญญาเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่มีกาลยานามิตรแล้วก็คุณธรรมอย่างอื่นไม่ต้องห่วงว่าจะถ้ามีกาลยานามิตรตัวเองจะเป็นผู้มีศีลจะได้มีความเพียรได้กระตาวัตถุและเจริญด้วยปัญญาเนี่ยนะฮัลกาลยานามิตรเนี่ยจะเป็นคนที่คอยว่ากล่าวแนะนําตักเตือนทั้งหมดต่อไปคุณสมบัติของกาลยานามิตรข้อต่อไปคือเป็นผู้กล่าวธรรมะลึกซึ้งนํามาซึ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยสุตตาสมบัติ พันกรณยานามิตรจะคอยแนะนําถึงข้อปฏิบัติว่าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ฟังแนวทางแห่งการเจริญกุศลเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์นี น, นะคุณธรรมของกรณยานามิตรอีกอันหนึ่งคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีด้วยจาระสมบัติจาระคําคว่าสละในที่นี้คือลักษณะของคนมักน้อยคนสันโดษคนวิเวกเห็นโทษของการคลุกคลี ต่อไปวิริยะว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยวิริยะสมบัติเป็นผู้มีสติตั้งมั่นในธรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษด้วยสติสมบัติเป็นผู้มีความไม่ฟุ้งซ่านมีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิสมบัติย่อมรู้ความไม่วิปริตด้วยปัญญาสมบัตินี่นะนะพระมหาบุรุษนั้นสแสวงหาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยสติเพราะสตินี่จะรู้คติความเป็นไปแห่ง กุศลและอกุศลรู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญามีจิตเป็นเอก ข, ข้าตาลในกุศลธรรมด้วยสมาธิห้ามสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายประกอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบุรุษเป็นผู้น่ารักน่าเคารพหรือกลยานามิตรเนี่ยนะน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องคอยว่ากล่าวอดทนต่อถ้อยคำกล่าวแต่ถ้อยคำที่ลึกซึ้งไม่ชักชวนในทางที่ไม่ถูกพระมหาบุรุษอาศัยกาลยานามิตรผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวไป นะได้ไปเจอกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตตมีจารคามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะว่า ไ, ไปเจอกัลยาณมิตรขนาดนี้เขา้าทํำยังไงจะไม่ดีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยจะหากัลยาณมิตรดีขนาดนี้เท่าไหรจากพระไตรปิฎกได้ที่ไหนดีขนาดนี้ดีเท่าพระไตรปิฎกไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้กัลยาณมิตรถ้าเรามีกัลยาณมิตรอย่างนี้เราก็เจริญด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ มันเมื่ออาศัยกาลยานามิตรผู้ทรงคุณอย่างนี้ก็ยังอุปนิสัยสมบัติของตนให้ผ่องแผ้วเนื่องจากเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วถ้าไปคบคนที่มีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรจะก็จะมีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปปกติก็เป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่รักศีลอยู่แล้วถ้าไปคบคนที่มีศีลยิ่งกว่ารักศีลยิ่งกว่าก็จะมีศีลยิ่งกว่าขึ้นไปอีกเนี่ยนะ ปกติก็เป็นคนที่มีสุตตะไฟรู้ไฟเรียนไฟฟังอยู่แล้วไปเจอคนที่ยิ่งกว่าอีกก็ทําให้มีสุตตะมากกว่าตัวเองก็เป็นคนที่นักเสียสละเนี่ยนะเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีไปเจอคนที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นก็อุปนิสัยก็เรียกว่าติดเชื้อกันมานะก็คบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นไปคบคนมีศรัทธาก็ทําให้เรามีศรัทธายิ่งขึ้นไปคบคนมีศีล กุศลศีลเราก็เจริญยิ่งๆขึ้นไปคบคนที่มีสุตตะมากสุตะของเราก็เจริญยิ่งๆขึ้นไปคบคนที่มีจาคะเราก็สละมากคบคนที่มีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมก็ทําให้มีความภาคเพียรนันถ้าเราคบคนที่มีสติแยกแยะในสิ่งมีโทษไม่มีโทษเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่เผลอเรนเนี่ยนะก็ทําให้เราเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนตามไปด้วยคบคนที่ไม่ฟุ้งซ่านเราก็ทําให้ใจสงบใจตั้งมั่น คบคนที่มีปัญญาเนี่ยเราก็เพิ่มเริม่มมีสติมีปัญญาเพราะนั้นคบคนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าซ่องเสพคบกับกาลยานามิตรอย่างนั้นก็ทำให้ได้รับประโยชน์เพราะนั้นอุปนิสัยยิ่งเจริญยิ่งขึ้นปกติก็อัธยาศัยดีอยู่แล้วไปคบคนดีๆยิ่งก็ยิ่งดีกว่าเดิมอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยนะ พันความเป็นผู้ที่ประกอบด้วยกาลยานมิตรนี่แหลทําให้อุปนิสัยสมบัติของท่านเนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยบริสุทธิ์ดีเนื่องจากว่าได้องค์ประชมุมเนี่ยนะองค์ประชุมคือกําลังสี่ประการนะที่จริงมีมีได้ปัจจัยสี่เหตุสี่พร ะ, ะสี่ใช่ไหมจึงทําให้อภินิหารของท่านเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะพันเมื่อได้ ปัจใจสี่ได้เหตุสีได้พะละสีท่านจึงสามารถประชุมธรรมะอันประกอบด้วยองค์8ดให้สําเร็จนะประชุมความเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยเพศชายอะไรเป็นมนุษย์เพศชายสังสมเหตุที่จะให้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พบเห็นภาษาสดาได้บวชมีคุณสมบัติคืออภิญญาห้าเป็นต้นสละชีวิตเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใจรักในความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านประชุมองค์แปด ธรรมะสมโมทานได้สำเร็จแล้วกระทา ม, มหาพินิหารตั้งความปรารถนาว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นโดยไม่มีการหันหลังกลับเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีความแน่นอนมีสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเขาเรียกว่ามุ่งไปไหนก็มุ่งไปเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณตั้งอยู่ในความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าพูดถึงคุณธรรมที่ทาให ประชุมองค์พร้อมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเมื่อตั้งความปรารถนาสําเร็จแล้วก็บําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระสี่เนี่ยนะที่เป็นเหตุให้อภินิหารสําเร็จก็คงไว้วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้